อดิตถังข้ออายสมันโตนิทานังอดิตถาจัตารโอปาราชิกธรรมาอทิตถาเตระสัสงคาริเซสาธรรมาอดิตถาธเวอานิยตาธรรมะอดิตถาติงสานิสขิยาปัญจิติยาธรรมาอดิตถาธเวนวุติปัญจิติยาธรรมาอดิตถาจัตารโอปาติเทศนิยาธรรมาอดิตถาเสขิยาธรรมา พุทธิธาสุตาทิกรณะสมธธรรมาเอตการตัสสะภควาโตสุตตาขะตังสุตตาปริยาปนังอันุธรมาสังอุทเทสังอาคัจฉติตถาสเพเหววัสมัคเฆสัมโมธมาเนหิอวิวัธรมาเนหิสิกิตพัง